ทุนที่ครบคะ่ะในการสัมสม น, น, นาสนทนาเราก็มีความดีใจนะคะที่ท่านทั้งหลายนั้นมีความสุขกับการที่ฟังรายการนี้ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของประมารชาคาวโรหรือว่าช่วงที่เรากําลังจะได้พบต่อไปนั่นก็คือเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพระทวชนะกับพระอาจารย์ภับุญอภิปุลโนวัดป่าดอนหายโศกน้องหาดอุดรธานีมาพบท่านกันเลยดีกว่าคะ่ะนมัสกการคะ่ะท่านคะพะจาริ์พรจะกรับเรียนท่านนะคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย โครงการสัมมาวาจาที่เคยพูดกันครั้งที่แล้วเนี่ยก็เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยอเปิดตัวเป็นเมื่อวันที่สิบแปดที่กระทรวงวัฒนธรรมทีนี้เขาชื่อชอบพูดต้องพูดชอบอพูดด้วยสัมมวาจานะคะในงานเนี่ยก็มีท่านพระอธิการบดีท่านเจ้าคุณพระธรรมโกศาจารย์ของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยนะคะท่านได้เมตตามากล่าวถึงความสําคัญของสัมมาวาจาในช่วงต้น แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการประกาศให้รู้ว่ามีใครกันบ้างที่เป็นทูตวัฒนธรรมในด้านการพูดก็มีหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมที่เห็นชัดๆมีคุณนัยจันเจ้าฉายแล้วก็มีศิลปินวัยรุ่นชื่อคุณอะไรนะคุณอ้อมสุนิสาสุบุญสังอ๋อจาค่ะที่เคยบวชชีด้วยนะคะอ่า แล้วก็ยังมีคุณอ้อสศินาผู้ประกาศข่าวช่องเจ็คนนี้ก็ธรรมธัมโมนับตั้งแต่ดีฉันรู้จักเลยแล้วก็มีคุณวีรินทิรานาทองบอจรัดมีคุณวูดดี้เกิดมาคุยนะคะคืะ ม, มีเจ้าของยาคูชื่อคุณกนกพันธ์เหตระกูลแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นฝรั่งเลยนะคะคุณแอนดรูบิคท่านทั้งหลายเนี่ยประสบความสาเร็จจากการพูดดีเพราะเขาเชื่อว่าการพูด สัมมาวาจานั้นเป็นสิ่งที่ดีดีมากเลยเนะาะค่ะท่าน้ามาถึงรายการของเราเนี่ยคงจะต้องขอเวลาแปดสิบวันดังที่กระทรวงวัธรรมเขาต้องการให้คนไทยได้ช่วยกันได้ลงนามในใบไม้ว่าเห็นด้วยกับการไม่พูดปดไม่พูดทำให้แตกแยกแล้วก็พูดจากันดีๆมีเมตตาพูดสุภาพกับไม่พูดเพ้อเจ้อโดยไม่มีหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะ uh huh. แล้วก็แสดงเจตนาว่าท่านนั้นพยายามที่จะทำ ก็มี Facebook ที่ใช้ชื่อว่าชอบพูดพิมพิมภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษพูดชอบค่ะพิมภาษาอังกฤษครับ P O D แล้วก็เขาใช้ S สิงคโปร์นะคะ S H O B P O D S สิงคโปร์ H แล้วก็ O B ค่ะก็คลิกไปที่นั่นท่านจะสนุกด้วยนะคะพิมพ์ชื่อท่านลงไปในใบไม้เลย พิมพ์ชื่อเสร็จเรียบร้อยท่านคลิกปุ๊บใบไม้จะลอยไปติดบนต้นไม้แล้วในลำดับต่อไปก็จะเป็นหนึ่งในรายชื่อในแปดล้านสี่แสนชื่อที่จะถวายพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระชกุศลดีดีด <c oughs> ก็ท่านผู้ฟังก็ไปที่นี่ได้แล้วก็ร่วมรณรงในการผู้ชอบคือเขียนใบไม้ติดแล้วก็ให้ปฏิบัติ ด, ด้วยนอกจากที<ๆ>่ facebook แล้วไปที<ๆ>่ไหนได้อีกล่ะคุณคุณตค่ะเขาก็จะมีเว็บไซต์กันท่านคะชื่อ be thai d o g o r อ be แล้วก็ thai.org คลิกเข้าไปที่นั่นก็จะมีเรื่องราวพวกเนี้ยค่ะอยู่หรือองค์กรไหนต้องการจะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยจะมีแบบใบไม้ให้ท่านเนี่ยดาวโหลดออกมาพริมพ์เองตัดเองเลยนะคะแล้วก็ไปหาต้นไม้ตั้งเองอาจจะเป็นแปะไปบนรูปต้นไม้กิ่งไม้นี่ก็ได้เป็นการรณรงค์อีกทางเพราะว่าเรามีองค์กรภาขีเนี่ยต้อง สิบเจ็ดองค์กรแล้วนะคะที่จะร่วมกันในเบื้องต้นอืส่วนในรายการของเราท่านคะยังคงต้องพูดทุกวันเพราะนั้นไม่พูดยาวเพียงแต่เห็นท่านบอกว่าเรื่องสมาทิฏฐิเกี่ยวกับการพูดก็มีด้วยใช่ใช่อยากทราบว่าเป็นอย่างไรคะคือคนที่จะรู้ว่าอันไหนเป็นคําพูดที่ดีอันไหนเป็นคําพูดที่ไม่ดีเนี่ยนะค่ะความรู้ตรงเนี้ยเป็นสมาธิฏิเพราะฉะนั้นท่านที่จะร่วมในโครงการเนี่ย คุณจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นคำพูดที่ควรพูดหรืออันนี้เป็นคำพูดที่ไม่ควรพูดนั้นจะรู้ได้ความรู้ตรงนี้เนี่ยคือสมาทิฐิมันเป็นความเห็นที่คุณจะต้องมีก่อน<ฆ>ซึ่งอันนี้พระรูปชาติได้เคยพูดกับพราม์ชื่อโลหิตะไว้ค<ฆ>่ะบอกว่าโลหิตะพรามเนี่ยถ้าถ้ามีคนมากล่าวกับโลหิตะพรามบอกว่าไอ้โลหิตะพรามเนี่ยทาไม่ถูกมาเที่ยวชวนคนอื่นไป ทำไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคําพูดตรงเนี้ยถ้าถ้ามีคนมากล่าวตูอย่างนี้เนี่ยนะกับโลหิตจะพราหมณ์ซึ่งพราหมณ์องค์นี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยการกล่าวตู่ของคนของคนนั้นที่กล่าวตู่กับโลหิตจะพราหมณ์อย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิ อ, อ่าเพราะว่าเขาไม่ได้กล่าวตามที่เป็นจรงิงอ่าพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างนี้เปรียบเทียบเหมือนกันบอกว่าถ้ามีใครมาในโลกนี้นะมาบอกว่าการที่ อาตถาคตสอนแล้วไปไม่ถูกต้องไปอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นกำรามกอะไรต่างๆเนี่ยคำพูดของคนนั้นก็ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิซึ่งเขาพูดไม่ถูกเนี่ยเขาก็เป็นมิจฉวาจาด้วยอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไปด้วยการเหมือนกันคนที่พูดโกหกคนที่กล่าวตู่คนอื่นมากๆทําบ่อยๆทํามากๆจะเป็นไปสองอย่างคืนอนรกหรือกําเหตุกระสานเพราะฉะนั้นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิ ด, ด่าคนอื่นมากๆนะทําบ่อยๆหรือว่ากล่าวพูดยุยงให้แตกกันนําความข้างนี้ไปบอกคนข้างนู้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนี้หรือนําความนี้ไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อให้แตกจากฝ่ายนั้นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ถูกต้องแต่ที่จริงเราควรจะพูดเพื่อให้สมานคนที่แตกกันแล้วให้สามัคคีกันพูดเพื่อที่ให้คนที่สามัคคีกันแล้วให้สามัคคีกันยิ่งขึ้ น, นการพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นการพูดที่เรียกว่าเป็นสมาวาจาอ๋อก็เท่ากับว่า เ อ, อถ้าเป็นสมาธิฏฐิซึ่งเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์แปดเหมือนกันกันกบสมมาวาจาเนี่ยสามารถที่จะมาเชื่อมต่อกับสมมาวาจาได้เลยถูกต้องคือมันเป็นอย่างนี้ไงคุณโยมติว๋วสมมุติเราจับคนใดคนหนึ่งอคุณคุณพูดไม่ถูกใช่ไหยคุณไปเข้าคุกค่ ะ, ะคุณไปเข้าคุกถามว่าการไปเข้าคุกนี่คือการปิดกั้นปากของเขาใช่ไหมไม่ให้เขาพูดไม่ดีนะเอาสะกอตเท้ไปติดก็ได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่เขามีโอกาสพูดเขาจะพูดชั่วทันทีการป้องกันที่เอาสกอตเทีไปติดปากหรือการป้องกันโดยที่เอาเขาไปใส่คุกเนี่ยการคุกเอาไว้เนี่ยมันเป็นการป้องกันที่ปลายเหตุใช่ไหมอย่างคนขโมยของอย่างเงี้ยเราบอกอ่ะคุณไปเข้าคุกคนเข้าคุกไม่ได้หมายความว่าคุณอยู่ในคุกแล้วคุณจะมีศีลนะ่อาเพราะว่าคุณไม่มีโอกาสขโมยแต่ถ้าเมื่อไหร่มีโอกาสขโมยนะของคนคุกด้วยกันก็ขโมยของนักโทษด้วยกันฉันก็จะขโมย เพราะว่าคุณไปมัดมือมัดเท้าเขาก็คอรมไม่ได้ตอนนั้นเองแต่ทั้งหมดมันมาที่จิตไงเวลาเราจะปิดกัน้นจริงๆเราต้องปิดกั้นที่จิตเพราะนั้นพระเจ้าจึงแนะนำตรงนี้เรื่องของสัมมาทิฏฐิคุณต้องมีทิฏฐิที่ถูกต้องก่อนนะคุณถึงจะอ้าปาออกมาเนี่ยไม่เหม็นๆมนออกมาถ้าท่านพูดแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าการลงโทษที่ทำากันอยู่ไม่น่าที่จะแก้ปัญหาได้จริงสิคะ ก็จะแก้ปัญหาได้บางส่วนแต่ไม่ไม่ถูกหมดพระพุทธเจ้าจึงแนะนําเรื่องของการปฏิบัติจิตตภาวนาไงให้แก้ที่จิตแก้ที่กิเลสเอากิเลสออกเอ า, เอาตัณหาไม่ให้เกิดแก้ที่รากเหง้าของมันคืออวิชชาฟังท่านแล้วดิฉันเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมในส่วนของในคุกที่จองจําคนคือกรมราชธรรมเนี่ยเห็นทีจะต้องใช้เรื่องของการอบรมจิตให้พัฒนาที่จิตควบคู่ไปด้วยอย่างหนักเลยนะคะเนี่ยใช่ใช่ก็ ได้ข่า ว, ว่าทางกรมราชทัณฑก็มีการอนั่งสมาธิวิปัสสนาด้วยเหมือนกันคือมันไม่มีสถานที่ไหนในโลกนี้ที่ต้องการสมาธิมากเท่าในคุกหรืมั้งอะแต่มาว่ า, าขนาดนั้นเลยเหรอคะท่านช่วยกรุณาอธิบายนิดนึงคะ่ะคือถึงแม้ว่าเรานั่งอยู่ที่บ้านนะคุณโยมติว๋วเราก็ถูกจองจํานะโดยสังสารวัตนี้เราถูกจองจําอยู่ในกายนี้น ะ, ค, ะคุกเนี่ยแค่จองจําคุณได้แค่ชั่วชีวิตเดียวใช่ไหม แต่สังสารวัตเนี่ยจองจำคุณโอ้โหนับพบนับกลับนับกันไม่ท่วนมานานแล้วท่านเปาบุญกำลังจะบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวว่าไม่มีที่ไหนนะคะที่จะหมาอะอการพัฒนาจิตมากกว่าในคุกอีกแล้วเนี่ยท่านหมายถึงว่าคุกที่เป็นซังเตที่เราเข้าใจกันอ่าใช่ใช่นะะหรือว่า ที่ว่าสังสารวัตรกันน่ค่ะเออทั้งสองกรณีเลยเอาเอาง่ายๆก่อนเพราะว่าเอาสิ่งที่จับต้องได้ก่อนดีกว่าก็คือคุกที่เป็นสังเตค่ะนะคุกที่มีนักมีคนคุมมีนักโทษใส่เสื้อแบบลายๆอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ใส่กันแล้วมั้งค่ะถ้าหากว่าเห็นเป็นชุดเสื้อลายแล้วว่าเข้าคุกอยู่เนี่ยถ้าเป็นการ์ตูนดูเหมือนก็เป็นสั ญ, ญลักษณ์ในการ์ตูนยังเห็นได้แต่ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนไปแล้วอย่างไรก็ตาม ในคุกเนี่ยที่จตมาพูดถึงว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่ควรจะต้องมีการฝึกจิตมากที่สุดก็เพราะว่ า, าเราไปป้องกันที่แขนขาป้องกันที่ตัวเนี่ยมันมันไม่ใช่ทางออกที่ถูกที่สุดไงค่ะท่านกำลังทาให้ดิฉันเข้าใจ เรื่องอื่นๆประกอบกันไปด้วยแต่เดี๋ยวจะว่ากันไปทีละขั้นตอนก่อนนะคะคือขั้นตอนถัดมาเนี่ยท่านพูดถึงคนที่อยู่ในคุกเนี่ยเราอาจจะจองจําเขาอย่างไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่แก้ที่จิตแล้วจะไม่เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ส่วนอีกส่วนหนึ่งเนี่ยกําลังจะกราบเดินถามท่านต่อไปก็คือที่ท่านว่านั่งอยู่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะมีชีวิตโกรานขนาดไหนหรือว่ามันลําบากลาบนขนาดไหนท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าถูกจองจําอยู่ในสังสารวัตรถูกต้องถูกต้อง ถูกจองจําอยู่ในสังสารวัตคือถ้าจะพูดโดยพุทธวจนะดีกว่านะคุณโยมติว๋วพระเจ้าจะใช้คําว่าจองจําเนี่ยกับพวกวินิบา a เท่านั้นคือสัตว์ที่ต่าลงไปจากกว่าจากมนุษย์ะนะสัตว์ที่ต่ําลงไปจากกว่ามนุษย์แต่แมามองเห็นมีความเห็นอย่างนี้ว่าถึงแม้คุณจะเป็นเทวดาคุณจะเป็นมนุษย์เนี่ยนะคุณพ่อมีอิสระบ้างใช่ไหมมันก็ยังต้องอยู่ในในกรงขังคือสังสารวัตนี้เหมือนกันค่ะอย่างนักโทษเนี่ยเวลาเขาอยู่ในคุกเนี่ย เขาก็มีอิสระภาพบ้างนะในการที่เขาจะขยับแขนขยับขาผู้คุมศัตรีเนี่ยต้องให้อิสระภาพเขาในการที่เขาจะมีกรงขังพอที่เขาจะขยับเปลี่ยนเอรีบดได้4อรีบดเท่านั้นเองแต่นอกจากนั้นเขาไม่ได้แล้วเหมือนกันมนุษย์คุณก็พอมีอิสระในขอบเขตที่คุณจะไปได้แต่นอกจากนั้นคุณไปไม่ได้แล้วนะก็เหมือนกันอิสระมันอาจจะมากกว่าหน่อยแต่มันก็เป็นแค่ภาพลงตาลักษณะนี้แหละ เราถูกลงตาว่าอย่างไรเหรคะที่ว่าถูกจองจําใน3สารวัตรนะคะผูกลงตาว่ามีอวิชชาเป็นเครื่องกังกลั้นมีมีตหาเป็นเครื่องผูกไว้เราต้องท่องเที่ยวไปมานั้นะโดยที่ไม่สามารถมีอิสระในความคิดมีอิสระในจิตที่เราจะไปไหนมาไหนไดออ้บางคนอาจจะมองว่ามีความอิสระอยู่เอาเอาแค่ ง, ง่ายๆคุณโยมติว๋วคุณอาจจะมองว่าเราขยับแขนขาได้อยากกินอะไรก็กินได้อยากไปไหนก็ไปได้ใช่ไหม แต่อิสระจากความเจ็บละ่ะอิสระจากความตายละ่ะอิสระจากความเกิดละ่ะเราไม่มีคมีอยู่มาวันหนึ่งรเราเออฉันยังไม่อยากตายละ่ะคุณทําไม่ได้นะยังไงคุณก็ต้องตายอยู่ดีอาฉันไม่อยากแก่ละแต่ไม่ได้สิมันก็ต้องแก่อยู่ดีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความอิสระมันก็จะมีซ่อนอยู่ในสภาพที่มันมีการหลอกลวงเราอยู่เพราะฉะนั้นพระุทธเจ้าจึงบอกว่ า, เ, าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่ เหมือนคนตาบอดนะเมื่อไรก็ตามที่คนตาบอดเนี่ยพอมีตาดีแล้วเนี่ยก็สามารถละความกำหนัดยินดีในผ้าเนื้อเหลวเปื้อนขระเมาที่มีคนเอามาหลอกว่าไอ้นี่ผ้าขาวเนื้อดีเลยนะนให้เอาไปใช้สิคนตาบอดก็ไม่รู้ใช่ไหมไม่เคยเห็นของดีของสวยก็คิดว่านี้มันดีแต่พอตาดีเมื่อไหร่แล้วเนี่ยโอ้ยนี่มันผ้าเน่าๆนี่นะามาหลอกเราได้แหมมันเจ็บใจจริงๆใครมาหลอกเขาเนาะกิเลสไงอวิชชาไงอ่า นี่ก็เป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธองค์ได้เปรียบเทียบทีนี้พอกลับมาถึงเราเราท่านท่านดินฉนก็เลยบอกว่าเท่ากับว่าเราเนี่ยกำลังจะต้องเปลี่ยนความคิดสมัยอย่าคิดว่าเดินเหินไปมาไปเมืองนอกกี่รอบบางคนไี่เดินทางทางชีวิตเลยตัวเองมีอิสระมีเสรีภาพถ้าในทางพระพุทธศาสนาแล้วยังถูกจองจําอยู่ ถูกจองจําอยู่ในสิ่งที่เราเรียกว่าสังสารวัตคือการเวียนว่ายตายเกิดนี้เองค่ะสังสารวัตคือความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาตินี่คือสังสารวัตรนะดังนั้นถ้าเกิดมีคนที่เราไม่ชอบติดคุกอยู่เรานึกในใจสมน้ําหน้าเขาสมน้ําหน้ามันอืมอย่างนี้ก็บาปแล้วใช่ไหมคะใช่คิดไม่ดีถึงเขาแล้วก็เราเนี่ยก็น่าสมน้ําหน้าเหมือนกันใช่แถมถ้าเกิดคนอยู่ในคุกนี่เขามีโอกาสปฏิบัติมีโอกาสพาตัวเอง ไล่นจะหนีไอ้สังสารวัตรก็จะดีกว่าเราประเด็นตรงนี้ต้องเพิ่มให้อีกนิดนึงที่พูดว่าการคนที่มีปัญหานในชีวิตจนทั้งไปเข้าคุกเนี่ยต้องการธรรมามากจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นความคิดของคนข้างนอกแต่คนข้างนอกเขาจะต้องคิดว่าอย่างนั้นแน่นอนแต่คนที่จะรับธรรมะได้คุณโยมติว๋ว ค, คนที่จะรับธรรมะได้เนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัติว่าคุณต้องมีศรัทธาคใช่ไหมคนมีศรัทธาถึงจะฟังธรรมารู้เรื่อง คนมีความเพียรคนมีสติคนมีสมสาธิคนมีปัญญาถึงจะฟังธรรมารู้เรื่องซึ่งถามว่าคนที่ไปอยู่ในคุกเนี่ยเขาอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ก็ได้แตเพราะฉนั้นพะระพุทธเจ้าจึงเปรียบนะอุปมาอุปไมยของพระพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งต้องยกความเห็นพระพุทธเจ้าถึงจะถูกเนาะไอความเห็นอาตมาที่ว่าในคุกต้องการธรรมามากที่สุดเนี่ยให้ให้ลบทิ้งไปซะเอาความเห็นพระพุทธเจ้าดีกว่าคนที่ต้องการธรรมะมากหรือว่าจะได้ธรรมะเนี่ยคือคนที่นาชันเลิศไง คือผู้ที่มีศรัทธานะผู้ที่มีศรัทธาในตถาคตเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณจะฟังธรรมารู้เรื่องอยู่แล้วพวกเนี้ยต้องเอาก่อนต้องโปรดก่อนต้องรู้ธรมรมา ก, ก่อนต้องชีช้แจงให้เขาเห็นก่อนต้องแสดงทำอย่างละเอียดลึกซึ้งให้เขาฟังก่อนค่ะเปรตสมัญนาชั้นดีอค่ะดิฉันมั่นใจว่าท่านที่เปิดฟัง f อ106รายการสรนสันิสนทนาและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมประเกียดอยู่ในขณะนี้ ป็ น, นาชั้นดีที่ท่านไพบูบุญกาลังบอกอยู่นะะใช่ใช่ใชใชว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไปอย่างนี้เสียดายค่ะนาชั้นดีทั้งหลายค่ะพรุ่งนี้เรานัดกันใหม่ได้ไหมคะเอาใหม่พรุ่งนี้ก็แล้วกันนะคะท่านเพบูบุ์ต้องขอครบบพระคุณท่านไพบนะูบุญไว้หน้าโอกาสนี้นะคะความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนท่านไพบูลุญและท่านม้าจะช่วยกันนํามาเล่าแจ้งแถลงไข่กับท่านในาการสรนสนีสนทนานมิสการขอบพระคุณท่านค่ะจ้าเจริญพรค่ะท่านฝั่งที่ครบค่ะ ในการสัมสินีสนทนาเราก็ทําหน้าที่ของเราในการที่จะนําเอาหลักธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยไปปลูกขึ้นในจิตใจของท่านด้วยการที่ทํำยังไงก็ได้ให้ท่านมีศรัทธางอกงามมากขึ้นนําเอาไปปฏิบัติมันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครในเบื้องต้นนอกจากท่านเองเมื่อเกิดประโยชน์กับท่านแล้วเท่ากับท่านรักษาตนท่านรักษาตนก็เท่ากับท่านรักษาผู้อื่นด้วยอันนี้เป็นความวิเศษของธรรมะของพระพุทธองค์นะคะวันนี้เช่นเคยค่ะศูนย์สองสอาศูนย์ศ หมายเลขนี้ท่านติดต่อรายการเราแล้วก็อย่าลืมว่ามีแผ่นซีดีด้วยมีหนังสือด้วยที่จะแจกให้ท่านนะคะเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพหลวัฒนปนภพงศ์ลำลูกกาคลองศินะคะติดต่อกันเข้ามาส่วนดิฉันถ้าจะในช่วงนี้ก็ขอเพียงว่าให้ทุกท่านนะคะได้ช่วยกันหันมาพูดชอบหมายถึงพูดสัมมาวาจากันเถอะคะ่ะแล้วก็ร่วมลงนามถวายพระเจ้าอยู่ให้ครบ 8ล้าน4แสนชื่อภายใน84วันโดยการคลิกไปที่พูดชอบ pwodcb h o B ที่ Facebook หรือว่าไปที่ bthaibethai org ส่วนจะถามคำถามท่านพบูลเ p e ยวธรรมะ com หนึ่ง106หลากันไปเท่านี้ก่อนกันแล้วกันนะคะพรุ่งนี้พบกันค่ะพูทว่สวัสดีค่ะ